หลายปีก่อนได้ค้นเจอแล้วก็พบเรื่องราวแปลกๆในพงศวดานที่คนสมัยก่อนหรือผู้ที่ทําหนังสือในสมัยนั้นได้บันทึกเอาไว้หลายต่อหลายเรื่องบางเรื่องแปลกบางเรื่องประหลาดบางเรื่องออกจะดูเหลือเชื่อแล้วก็ปนป น, นอภินิหารเอาไว้สักหน่อยแม้ผู้เขียนในสมัยนั้นจะเขียนเรื่องราวเอาไว้จนติดกันเป็นพื้แล้วก็ยากต่อการค้นอ่านแต่ถึงกระนั้นเมื่อตั้งใจอ่านแล้วก็ถอดความดูแล้วก็ยังอ่านสนุกแล้วก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย ครั้นลำดับเรื่องลำดับความได้แล้วก็พบว่าเรื่องราวที่ว่านั้นเกิดขึ้นแถบแถบถนนบ้านตะนาวนั่นเองถนนบ้านตะนาวที่ว่านี้เดิมทีสมัยก่อนหากมีเวลามักจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปเที่ยวชมอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าจะว่าไปแล้วถนนบ้านตะนาวก็เป็นถนนเก่าแก่อีกเส้นหนึ่งที่ยังคงสภาพรูปแบบเดิมๆไว้ได้มากอยู่ที่แน่ๆก็คือการจราจรที่ยังไม่ค่อยอุ่นหนาฝาข้างหรือติดแอร์แอมากนัก รถราหรือก็ยังไม่ติดหนึบเหมือนตังเมเหมือนดังถนนหลายสายหลายที่ในกรุงเทพที่เวลานี้ติดหนับแทบจะไม่ขยับขยื่นดังนั้นที่ถนนบ้านตะนาวเส้นนี้ค่ะเราจึงสามารถเดินทอดน่องดูนั่นดูนี่ได้ดีพอสมควรทีเดียวหลายวันก่อนหน้านี้นะคะได้ไปอ่านเจอหนังสือเรื่องเล่าแปลกๆที่คนเก่าๆบันทึกเอาไว้เขาพูดกันนะคะถึงบ้านตะนาว ว่าถนนเส้นนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวแปลกๆที่เกี่ยวโยงกับถนนเส้นนี้ไว้ด้วยในเนื้อความบอกนะคะว่า วันก่อนเสด็จในกรมกรมมาหลวงสัพพาสสุภกิจเสด็จมาที่ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเยี่ยมชมแล้วก็นมัสการภายในศาลเนื่องจากวังของพระองค์เจ้าทองแถมทวารนละเยะวง่์กรมมาหลวงสัพพาสพาสุภกิจอยู่ละแวกนั้นจึงไม่เป็นการลำบากเลยนะคะที่จะส่งเสด็จมาเพราะว่าว่ากันว่าเสด็จในกรมพระองค์นี้เคยมานมัสการที่ศาลแห่งนี้อยู่บ่อยๆเรื่องเล่าที่ว่าแปลกกว่านั้นค่ะ ก็ยังมีเนื้อความต่อแล้วก็เล่าถึงประวัติของคนจีนคนหนึ่งว่าเรื่องนี้เขาพูดถึงจีนเต็ง่งทำมาค้าขายได้กำไรน้อยก็เลยไปทูลขอต่อองค์เจ้าพ่อเสือพูดง่ายๆนะคะก็คือไปบนบานนั่นเองแกบอกว่าถ้าค้าขาย ใหญ่โตดีเห็นเป็นร่ำรวยแกจะอุทิตเงินส่วนหนึ่งมาทำการซ่อมแซมศาลแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมทีคนโบราณว่าศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้มีมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาตั้งอยู่ที่นี่ดังทุกวันนี้ค่ะโดยศาลแห่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้า น, นภาลัยนะคะตกมาครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะคะ พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ขยายถนนบำรุงเมืองให้กว้างเพื่อให้รถรางวิ่งได้สะดวกพร้อมกันนี้ก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างตึกแถวย่านสิงคโปร์อย่างสิงคโปรขึ้นที่ริมถนนนะคะดังนั้นจึงจําเป็นต้องรื้อสารเก่าออกไปไว้ที่อื่นโดยการรื้อถอนแล้วก็ก่อสร้างสารใหม่ทรงให้พระญาโชตึกราชเศรษฐีเป็นผู้จัดการรื้อสารแห่งนี้ และก็นำมาสร้างใหม่อย่างสถานที่ปัจจุบันค่ะคือสร้างในที่พระราชทานริมถนนเฟื่องนคร ใกล้กันกับวัดมหันพาหมามหันนบนะคะหรือว่ามหันพารามแห่งนี้นี่เองค่ะแต่ว่าเรื่องราวหลังจากที่จีนเต็งถงมาบนบานที่สาลเจ้าพ่อเสือไม่นานจีนเต็งถงก็ค่อยๆค้าขายดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นเศรษฐีแกก็เลยอุทิศเงินส่วนหนึ่งบูรณาาระศาลเจ้าพ่อเสือจนใหญ่โตอย่างทุกวันนี้ครั้งนั้นค่ะถนนตระนาวยังไม่ได้ขยายออกไปจากตรงนี้มากนะัก เป็นแค่ถนนที่รถราพอวิ่งสวนกันได้ทางก็เป็นถนนดินอัดแน่นแต่ว่าผ่านหน้าวังกรมมหลวงสัพพศาสตร์ซึ่งใครที่ผ่านมาทางนี้ก็จะรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งนะคะเรื่องแปลกแต่จริงในพงสาวดารยังมีกล่าวถึงสารเจ้าพ่ออีกนะคะว่าครั้งหนึ่งได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ้านเรือนราษฎรแถวแถวละแวกนั้นไฟลุกไหม้กินวงกว้างจนในที่สุดค่ะก็มาถึงสารเจ้าพ่อ คนในวังกรมสรรพัพพสารนะคะกรมหลวงสรรพสาสกรมวังกรมพญาณราชทิพที่แพร่งนาราหรือแม้แต่คนที่วังกรมมื่นผูทะเรศ ธ, ธรรมรงศักดิ์ที่แพร่งผูธรก็มาช่วยกันดับไฟนะคะแต่ว่าไฟมันไม่รุนแรงเหลือเกินจนในที่สุดขาก็เริ่มลามแล้วก็มุ่งหน้ามาที่หลังวังกรมหลวงสรรพัพพสารแล้วก็เริ่มจะมุ่งตรงมาที่ศาลแห่งนี้แต่ว่าในขณะที่ไฟไหมจนจะมาถึงศาลอยู่รอมรอ ปรากฏว่าไฟที่ไหม้นั้นกินวงกว้างและแผลขยายออกไปกลับ เ, เริ่มมอดลงไปเองส่วนที่กำลังจะลุกลามมาติดที่สารเจาะพอก็เริ่มเลี้ยวไปทางอื่นไม่เข้ามาสารทั้งเจ๊กทั้งไทยวิ่งกันอลมานนะคะบ้างก็เข้ามาในสารขอให้ไฟที่กำลังไหม้หยุดลงสิที ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานได้มีฝนโปรยลงมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหนักขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดนะคะไฟที่กำลังโหมไหมอย่างหนักก็ดับไปเฉยโดยไม่มีเข้ามาไหม้หรือติดภายในสารเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คราวสงครามโลกครั้งที่สองนะคะฝ่ายกองบินสัมพันธมิตรในเวลานั้นมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพบ่อยขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงสงครามใกล้สงบ ทั้งสองฝ่ายก็เลยโหมยุทธวิธีสับประยุทธ์กันแหลกอัดานระยะนั้นกรุงเทพถูกบอมไม่เว้นแต่ละวันมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นคืนเดือนไห่ค่อนแจ้งเครื่องบินทิ้งระเบิดฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มเปิดฉากโจมตีกรุงเทพ อ, อีกครั้งคราวนี้นะคะมันมาทิ้งระเบิดแถวแถววางบางขุนพรมค่ะ โดยในบันทึกนะคะบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดปูพรมมาเรื่อยๆนะคะสถานที่หลายแห่งถูกทำลายที่บางลำพูเนี่ยเรียกว่ามีคนตายมากมายกันเลยทีเดียวค่ะแล้วสุดท้ายมันก็มุ่งหน้ามาทางนี้ตลอดทางระเบิดก็ถูกหย่อนลงมาเรื่อยๆจนใกล้ถึงศาลเจ้าพ่อเสือเข้าไปทุกทีทุกทีนะคะทุกคนคิดว่าคราวนี้ตายแน่เพราะว่าตลอดทางโดนมันถล่มไม่มีเหลือ พอมาถึงช่วงนี้หลายคนที่หลบอยู่ในสารเจ้าพ่อเสือต่างคนต่างก็ได้ยินเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาชัดเจนหลายคนเอาหน้าซุกกับข้างผนังในสารมีลูกระเบิดลูกหนึ่งหล่นลงมาที่หน้าสารพอดีถ้าระเบิดลูกนี้ระเบิดศารและคนที่อยู่ในสารจะโดนแรงระเบิดทําลายจนหมดสิ้น แต่ว่าลูกกระเบิดลูกนี้กลับกลายเป็นระเบิดด้านไปนะคะมันไม่ระเบิดค่ะเสียงมันหล่นดังโครมลงมาแรงขนาดนั้นความจริงมันน่าจะระเบิดแต่มันไม่ระเบิดมันทำให้ถนนแถวนั้นแตกแล้วก็แหลกจากการประทะพังไม่มีชิ้นดีแต่ตัวมันเองกลับกลิ้งหลุนๆไปวางกองอยู่กับริมถนนถัดจากสารไปไม่กี่หลานะคะเวลานั้นคนที่หลบอยู่ในสารควันนี้ดีฟอกันหมดแล้วทุกคนคิดว่าตายแน่ เพราะว่ามองออกไปก็เห็นระเบิดทั้งลูกชัดเจนและก็ถัดๆไปลูกระเบิดทุกลูกก็ระเบิดดังสนั่นวันไหวถนนบ้านตระนาวสีแยกคอกบัวเรื่อยไปจนถึงบางลําพูจนถึงบางขุนพรมหรือทางใต้ก็จากถนนบ้านตะนาวไปจรดแม่น้ำเจ้าพยาก็ถูกทําลายราบไปทั้งแถบนะคะเรื่องนี้ผู้คนที่อยู่ในศาลแล้วก็รอดตายจากคราวนั้นต่างคนต่างก็มาเล่าเรื่องนี้กันอย่างเหลือเชื่อ หลายคนนะคะบอกว่ารอดราวปฏิหารหลังจากนั้นมาชื่อเสียงของสารเจ้าพ่อเสือก็โด่งดังจนมีชาวบ้านชาวเมืองต่างมาขอของดีขอผ้ายันขอน้ำมนต์ในสารไปบูชาไปรถบ้านเพื่อให้รอดพ้นจากภัยสงครามและก็รอดพ้นจากลูกกระเบิดของพันธมิตรกันเป็นแถวเรื่องของสารเจ้าพ่อเสือยังไม่หมดแค่นี้ค่ะในช่วงปลายปีพุทธศักราช2499 ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พวกเหล่าอันธพาลเยอะแยะไปหมดคือมีเรื่องตีกันยิงกันไม่ได้หยุดหย่อนจนจอมพลสริทธิธนรัตน์นะคะต้องใช้วิธีแข่งเกล้าสั่งประหารกับอันธพาลพวกนี้ช่วงนั้นก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นแถวแถวศาลเจ้าพ่อเสืออีกเหมือนกันค่ะพวกอันธภาลสองกลุ่มม า, าตีกันละแวกศาลเจ้าพ่อเสือในช่วงกลางค่ํากลางคืนเพื่อให้ผลจากสายตาเจ้าหน้าที่บ้านเมือง กลุ่มหนึ่งมาก่อนอีกกลุ่มตามมาในขณะที่พวกมันกำลังจะลงมือปรากฏนะคะว่าได้ยินเสียงดังขึ้นกราวใหญ่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงหันไปมองเพราะว่าเสียงที่ว่าดังเนี่ยคือดังออกมาจากในสารและนั่นเองค่ะทุกคนก็ได้เห็นเงาคนร่างมือมาโผล่ พ้นหลังสาลานะค ะ, ะคือพ้นหลังคาของสารไปนะคะแล้วก็กําลังย่างสามขุมมาทางพวกมันไอพวกที่จะตีกันมันก็หยุดเพราะว่าต่างก็ตกใจควันนี้ดีฟอเห็นอะไรอย่างนั้นทันทีที่ร่างดําทะมึนนั้นเดินก้าวข้ามหลังคาหลังคาสารพวกที่จะตีกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างก็รีบแยกย้ายด้วยความกลัวแล้วก็ต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดพวกหนึงหนีไปทางถนนเฟื่องนครก็ไปโดนโปอลิสพลตระเวนจับไว้ได้ทั้งหมด โดยพวกมันยอมให้จับแต่โดยดีอีกพวกออกไปทางสี่แยกอคอกวัวนี่ก็โดนเหมือนกันต่างคนต่างให้การเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเห็นคนร่างยักษ์โผล่พรวดขึ้นมาจากสารแล้วก็คนร่างยักษ์นั้นหน้าตาต้องบอกว่าแล้วก็เสียงคำรามเนี่ยดังราวกับเสือโคร่งตัวใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องเล่าแล้วก็ตำนานเหล่านี้นะคะก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้ให้เป็นอภินิหารสารเจ้าพ่อเสือสืบต่อมา นั่นคือเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตำนานแห่งสรนเจ้าพ่อเสือส่วนเรื่องต่อมาค่ะก็แปลกไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกรุงเทพมหานครย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2458นะคะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลวกล้ารัชกาลที่6ค่ะเรื่องของเรื่องนะคะมีอยู่ว่าเวลานั้นได้มีข่าวลือเกี่ยวกับพูดผีปีศาจปรากฏตัวขึ้นที่ถนนอัสดางชล ถนนอสดางนั้นก็คือถนนสายหนึ่งที่ตั้งขึ้นชื่อตามพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุธกร ม, มหลวงนครราชสีมาพระราชโอรสพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หถนนเส้นนี้นะคะอยู่แถวริมคลองคูเมืองเดิมค่ะหรือแถวแถวละแวกคลองหลอดเรื่อยไปจนละแวกปากคลองตลาดนั่นแหละนะคะ ถนนเส้นนี้วิ่งตรงเรื่อยมาจนถึงหน้าโรงพักพลตระเวนถนนบ้านโรงครกหรือที่เรียกว่าสอนอพระราชวังเดี๋ยวนี้แหละนะคะแต่ถ้าว่าในสมัยนั้นอาณาบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีสภาพเป็นแบบนี้สะพานเจริญรัฐปากคลองตลาดเวลานั้นสร้างแล้วสะพานอุบลรัฐก็มีแล้วตึกแถวริมถนนอัสดัและปากคลองตลาดเพิ่งเริ่มสร้างเสร็จก็ก่อนหน้านี้ไม่เท่าไหร่นะคะ เรื่องราวทุกอย่างมันเริ่มขึ้นตรงนี้ค่ะในบันทึกเขาบอกว่าเวลานั้นชาวบ้านร้านตลาดที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นนะคะก็ได้ร่ําลือค่ะถึงเรื่องราวประหลาดว่าเห็นพูดผีปีศาจที่ปรากฏ ร, ร่างกายสูงลิปชอบออกมาเดินท่อมๆ่อมกลางดึกบ้างก็บอกว่าผีที่ว่านี้เป็นเ ป, นปรตอสุรกายที่ออกมาแถวท่าเตียนบ้างก็บอกว่าออกมาจากวังเจ้าครอกวัดโพ บ้านก็บอกว่าเป็นผีทหารมหัดเล็กในวังแห่งนั้นที่หนักหนากว่านั้นนะคะก็ร่ําลือค่ะว่าผีที่ว่านี้มันข้ามแม่น้าเจ้าพยามาจากฝั่งซานตาครูสมาขึ้นฝั่งที่ปากคลองตลาดหรือตลาดโรงยาเก่านั่นเองมีคนเห็นกันมากมายค่ะและเห็นกันเกือบทุกวันไม่นานเรื่องที่ว่าก็ร่ําลือไปในทางน่ากลัวมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเรื่องก็ร่ําลือกันมากจนชาวบ้านร้านตลาดไม่เป็นอันธรรมอะไรเลยนะคะ ตกกลางค่ำกลางคืนผู้คนก็ไม่กล้าจะสัญจรไปทางไหนทำให้โจรผู้ร้ายชุกขึ้นมากขึ้นทุกทีขนาดพลตระเวยนยังขยาดไม่กล้าเดินยามเพราะว่ากลัวผีเปรตอสดรกายตนนี้มาหลอกหลอนเอาก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเดือดร้อนหนักเข้าไปอีก และมีข่าวร่ำลือนะคะว่ามีคนเห็นผีเปรตเนี่เดินย่างสามขุมออกมาจากหลังวังหับเผยริมวังสนามชายหรือปัจจุบันนะคะก็คือกรมรักษาดินแดงและสวนสันรรมค่ะเดินมาทางคลองหลอดข้ามคลองหลอดแล้วก็หายตัวไป พวกที่รถลากรถเจ๊กต่างก็กลัวกันหัวหดนะคะชาวบ้านร้านตลาดแทบไม่เป็นอันทําอะไรเลยการค้าขายตลอดจนการขนของหรือขายของยามค่าคืนตลอดจนการค้าขายอื่นๆในเวลากลางคืนก็ต้องหยุดกันหมดเพราะไม่มีคนเดินทางสัญจรกันในเวลานั้นอีกแล้วตลาดที่ติดตั้งแต่ย่ารุ่งก็พลอยซบเซาไปด้วยชาวบ้านร้านค้าต่างแย่แล้วก็เดือดร้อนกันไปตามๆกัน และเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะผีที่ว่ามันชักจะกำเริบเสบสนักข้อขึ้นทุกทีค่ะบ้างก็บอกนะคะบอกว่ามันแกล้งล่มเรือแกล้งหลอกพลตระเวนแกล้งหลอกผู้คนที่สัญจรไปมาสารพัดถึงขนาดที่ชาวบ้านละแวกนั้นนิมนต์พระจากวัดเรียบมาปราบก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายตัวไปแต่อย่างใดหลายครั้งที่มันออกลาดตรเวนหรือว่าออกอลวาดนี่นะคะคืน ชาวบ้านเนี่ยเขาต่างกลัวไปตามๆกันคือครั้งหลังสุดนะคะพลตระเวนกรมวังถนนโรงครกหรือว่าสอนอพระราชวังรวมตัวกันระวังเหตุร้ายดักรอมันแต่วันไหนที่พวกที่โรงพักพลตระเวนมามันก็ไม่มาวันไหนที่ไม่มีใครมามันก็โผล่มาปรากฏร่างให้ชาวบ้านเห็นกันอีกเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งค่ะความกลัวเริ่มกล้ํากลายชาวบ้านมากขึ้นจนไม่มีใครทําการค้าได้นะคะเพราะว่ากลัวผีตนนี้กันอย่างที่สุด เรื่องราวก็ยิ่งลือสะพัดออกไปไกลเข้าทุกทีทุกทีจากชาวบ้านร้านตลาดเริ่มลือเข้าไปถึงในวังซึ่งวังที่ว่าก็คือวังของกรมหลวงชุมพร น, นั่นเองค่ะครั้นเรื่องนี้รู้ไปถึงพระเนตรของอพระเนตรพระการในพระเชษฐาของรนเกล้าวรนกระหม่อมรัชการที่6คือพระองค์เจ้า อ, อาอาภ า, ากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะ พระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงมีวิทยาคมอยู่แล้วจึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องพันนี้และคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งของมิจฉาชีพที่คิดจะหาผลประโยชน์จากราษฎรค่ะพระองค์ก็เลยคิดหาทางสืบให้รู้จงได้ว่าเป็นฝีมือกุข่าวหรือเป็นเรื่องราวเล่นตลกของกลาเรื่องนี้ ใครก็รู้นะคะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้หนึ่งที่ร่ำเรียนวิทยาคมเป็นผู้มีของดีของวิเศษและยังเป็นเจ้าฟ้าทหารเรืออีกด้วยดังนั้นเรื่องแบบนี้พระองค์ไม่ทรงเชื่อแต่ทว่าข่าวลือที่ได้ยินมาพระองค์ทรงรู้ถึงทุกข์ของราษฎรที่ทามาค้าขายไม่ได้จึงคิดหาทางยับยั้งเจ้าผีพวกนี้ค่ะ พระองค์ทรงดำริว่าจะต้องร่วมมือกันหาทางจับเจ้าผีที่หลอกหลอนชาวบ้านตนนี้ให้ได้พระองค์ถึงกับปลอมพระองค์ไปสืบตามโรงยาฝิ่นตั้งแต่สะพานข้างรงสีเรื่อยไปนะคะถึงตามสํานักคมเขียวย่านนางเลิงแล้วก็ละแวกแถวแพร่งภูทรแพร่งนาราไปพระองค์เดียวบ้างไปกับเจ้าพี่เจ้าน้องเสด็จในกรมพระองค์อื่นๆบ้างแต่ก็ยังสืบไม่ได้ความสักทีว่าเรื่องราวมันเป็นไปยังไงมายัางไงนะคะ ระยะที่พระองค์ทรงออกสืบระยะนั้นค่ะข่าวพวกขบฏเนี้ยที่แข็งข้อก็มาถึงพระเนตรพระกันของพระองค์อีกครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเสด็จในกรมกรมมาหลวงประจักษ์ศิลปาคมค่ะท่านก็เคยเสด็จไปปราบมาหนหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดนะคะว่าพวกเนี้ยจะกำเริบเสื่บสารขึ้นมาอีกแล้วข่าวที่ส่งมาครั้งหลังนี่บอกว่าพวกมันกาลังเข้ามาก่อกวนในบางกอก อ, อ, กอีกแล้ว เรื่องนี้ทำให้เสด็จในกรมกรมมาหลวงชุมพรทรงไหวตัวทันทีนะคะพระองค์และก็ทหารมหาดเล็กรวมห6คนได้ไปซุ่มซ่อนที่ท่าเรือจ้างริมคลองหลอดบ้างก็อยู่ที่ท่ารงยาเก่าอีกสองสาคนไปซ่อนอยู่ที่หน้าโรงพักพลตระเวนจนเวลาล่วงมาได้ยามหนึ่งแต่แล้วพระองค์ก็ได้ทรงประจักษ์แก่พระเนตรว่าิีเปรตอสุรกายตนนี้มันปรากฏตัวขึ้นแล้ว พอมันเดินเข้ามาใกล้ที่พักพวกพระองค์ซุ่มอยู่ต่างคนต่างก็วิ่งกลูกันออกมาไอ้ผีตนนั้นเห็นคนไม่กลัวก็ชักจะไม่ได้การมันก็ทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีบ้างปรากฏว่าผ้าคลุมที่คลุมร่างพวกมันเนี่ยกับไม้ที่สูงที่ต่อขาเกิดไปเกี่ยวกันขึ้นผีตนนี้ก็เลยล้มลงพระองค์แล้วก็พลตรเวรกับมหาทหารมหัตเล็กก็เข้าไปจับแล้วก็รวบตัวพวกมันได้ทันท่วงที หลังจากสอบสวนสืบส่วนนะคะก็ขยายความไปนะคะได้ความว่าไอ้ผีพวกนี้เป็นพวกเงี้ยวที่หาทางเข้ามาก่อกวนสร้างความไม่สงบในเมืองหลวงดีที่ว่าพระองค์ไหวตัวเสียก่อนจึงจับมันทันแล้วก็สืบตามต่อได้ตัวพวกมันอีกมากแต่ถ้ว่าเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันเพราะว่าพระองค์เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปและพอพวกเงี้ยวถูกจับได้ชาว บ, บ้านก็หายหวาดกลัวกันหมดแล้วนะคะ คุณผู้ฟังคาทายที่สุดเรื่องนี้คงไม่มีอะไรน่าสนใจอีกค่ะแล้วก็ถูกลืมเลือนไปทีละน้อยแล้วก็เห็นจะเหลืออยู่แค่ในบันทึกเก่าๆที่เป็นแค่เรื่องราวรายวันในหนังสือพิมพ์มีบทความไม่กี่หน้าเท่านั้นเอง